เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่32เป็นทอมกับดี้บรรลุธรรมได้ไหมกรณีเฉพาะตนของแฟตแคทอาชีพงานที่ค่อนข้างมั่นคงงานหนึ่งลักษณะางานที่ทำทำงานเลี้ยงดูตัวเองและพ่อแม่ตามฐานะทินตรงใดแต่ใจ ตต้องงกาารทที่่ไมํสัคมมรรรอรรออคคคคหืทาางงสังงกักกนนนวําถามแรกดิฉันอยู่กินกับคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกันอย่างเปิดเผยและไม่เป็นที่รังเกียจของครอบครัวทั้งสองฝ่ายตัวดิฉันเองไม่เคยรู้สึกชอบเพศเดียวกันมาก่อนแต่พอมาเจอคนเนี้ยแค่แวับแรกก็บอกตัวเองว่า เราต้องเป็นแฟนกับคนนี้แน่เลยซึ่งมารู้ทีหลังว่าความรู้สึกแบบเดียวกันก็เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายด้วยในที่สุดต่างก็ยอมรับว่าคงทำกรรมกันมาอาจจะทำให้คนอื่นต้องเจ็บช้ำต้องอายต้องเสียใจต้องถูกติฉีนนินทาวิพากวิจารปัจจุบันได้แต่ปรับความรู้ความเข้าใจของพวกเราให้ถูกต้องตามหลักธรรมเช่นให้ทานรักษาศีล ตลอดจนเป็นกําลังใจเกือ้อกูลกันและกันในการเจริญสติถึงขั้นถือศีลแปดในวันพระอยากทราบว่าภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมดเราทั้งสองมีโอกาสบรรลุธรรมในระดับพระโสดาบันได้ไหมเรื่องของใจไม่มีเหตุหลอาดูเหมือนสับสนตัวเองกี่คนกี่ใจจะยอมรับเธอ ถ้าตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาก็ตอบสั้นๆได้ว่ามีสิทธ์ครับขอแจกแจงเหตุผลเป็นข้อๆ 1. คุณไม่ได้มีความเบี่ยงเบนทางเพศมาแต่เล็กจึงถือว่าจิตไม่ได้ถือกำเนิดด้วยลักษณะเบี้ยวบิดผิดปกติแต่อย่างใดกรณีเฉพาะนี้เป็นเรื่องของบุพเพสนิวาสมากกว่าสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความรักเชิงชู้สาว เกิดจากเหตุปัจจัยสองประการ 1. คือเคยอยู่ร่วมกันในการก่อน 2. คือเกื้อกูลกันในปัจจุบันการปิ๊งกันและคิดเหมือนกันตั้งแต่แรกสอบว่ามีสัญญาณนำร่องจากอดีตชักใยให้ใจตรงกันส่วนการมีโอกาสคบหาสนิทสนมและเกื้อกูลกันในทางดี <c oughs> ก็บ่งบอกว่าปัจจุบันชวนกันสร้างกรรมสัมพันธ์อันเป็นกุศล เข้าขั้นครบสูตรเหตุแห่งรักตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กรณีแบบคุณมีอยู่ทั่วโลกแม้ระหว่างชายกับชายแต่ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติน่าละอายในวงเล็บแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยอมรับแล้วอยู่ร่วมกันให้ฝืนธรรมชาติด้วยนะครับอันนี้วงเล็บไว้สําหรับคนทั่วไปที่อำนาจบุกเพสนิวาสไม่ได้แรงขนาดคุณแฟตแคท สรุปสั้นๆว่าฐานจิตของคุณไม่ได้ผิดปกติถึงขั้นห้ามมรรคห้ามผล 2. ฟังดูพวกคุณไม่ได้มัวเมาในการมาคุณตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำตัวให้ปลอดจากกรมและการละเล่นในวันพระตรงเนี้ยเป็นการค่อยๆถอนเท้าจากหล่มกามที่ถูกต้องตามทางมรรคทางผล คือคุณมีสินแปดเป็นแรงชุดให้ถอยออกมาจากกรม ท, ทั้งที่ผิดและที่ถูกสรุปว่าวันใดที่คุณถือสินแปดวันนั้นคุณมีองค์มรคคือความดาริชอบที่จะออกจากกรมอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เชื่อมั่นว่านี่เป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนให้เกิดมรคผลได้จริงอย่างไรก็ตามที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือคำตอบว่ามีสิทธิ์แต่ก็ไม่ได้รับประ ก, กันว่า ต้องได้แน่นะครับเพราะการมีจิตทิปกติและการดําริออกจากกามยังไม่เพียงพอจะเป็นแรงดันให้โพลงขึ้นบรรลุธรรมการโพล่งขึ้นบรรลุธรร ม, กรรรรมเกิดจากการเห็นกายใจไม่ใช่ตัวตนอย่างถนัดชัดเข้าใจลึกซึ้งด้วยจิตตั้งมั่นเต็มตื่นเต็มดวงระดับฌานหากคุณเจริญสติไม่ถูกไม่เฝ้ารู้ว่ากายใจปรวนแปร ى, ไม่เห็นว่า กายใจเป็นแค่เครื่องล่อหลอกให้ยึดติดอย่างไรใจก็ถอนออกมาจากหลมอุปาทานไม่สำเร็จวันยังคำ่ำแม้จะถอนเท้าจากหลมกามด้วยศีลแปดได้จนชั่วชีวิตก็ตามบางคนเข้าใจผิดคิดว่าไม่เสพกามได้สมปีหมายถึงเป็นพระอนาคามีซึ่งนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ใช่ความจริง คำถามที่สองการอยู่ด้วยกันของเราไม่ได้อยู่กันแบบหลบๆสั้นๆเราไม่นอกใจกันแบบเนี้ยหมายความว่าสินข้อสามของพวกเราบริสุทธิ์หรือไม่บางทีพวกเราไขว้เขวว่าอยู่กันแบบผิดธรรมชาติก็คือผิดศีลแล้วความเห็นของมนุษย์กับความจริงทางธรรมชาติแตกต่างกันครับผู้ที่มีสิทธิ์รู้ความจริงทางธรรมชาติ คือผู้ที่สังเกตธรรมชาติโดยไม่ถือเอาความเชื่อส่วนตัวเป็นใหญ่และวิธีสังเกตธรรมชาติแบบพระพุทธเจ้าคือตั้งจิตให้ตรงด้วยความเข้าใจว่าในขอบเขตกายใจนี้ไม่มีอะไรสักอย่างที่เที่ยงจากนั้นสังเกตว่าหายใจเข้าแล้วอั้นไว้ไม่ได้ต้องระบายออกมาจริงไหมถ้าแค่รู้ได้ตามจริงเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว จากนั้นตามความรู้สึกไปว่าทุกอยู่หรือสุขอยู่จิตสงบอยู่หรือฟุ้งซ่านอยู่ภาวะอันเป็นนามธรรมเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงถึงจุดหนึ่งคุณจะไปเห็นภาวะของจิตที่มีสว่างบ้างมีมืดบ้างมีความดำริอันเป็นกุศลบ้างมีความดำริอันเป็นอกุศลบ้างมีความตรึกนึกทางการมบ้างมีความตรึกนึกในทางละการมบ้าง เห็นความไม่เที่ยงของภาวะทางกายใจไปเรื่อยๆคุณจะพบความจริงในตนนั่นคือศีลข้อสามจะบริสุทธิ์อยู่ยังจิตให้สว่างสดใสได้อยู่ตราบเท่าที่คุณไม่นอกใจคู่ครองหรือหากคุณตรึกนึกทางกามกับคู่ครองจิตก็อาจหมุนมัวลงมาชั่วขณะที่ราคะครอบงำแต่ก็สว่างและกลับมีสติได้เร็ว เพราะไม่มีความรู้สึกผิดบาปทิมแทงใจภายหลังจากราคะสิ้นฤทธิ์ลงตัวตัดสินสำคัญว่าผิดหรือไม่ผิดศีลก็คือความรู้สึกผิดนั่นแหละครับถ้ารู้สึกผิดก็มีแนวโน้มว่าศีลขาดหรือด่างพร้อยแต่ถ้าสบายใจก็บอกได้ว่าศีลยังอยู่ไม่ว่าคู่ครองของคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาหรือเธอก็ได้ชื่อว่าคู่ครอง หากสำรวจใจตัวเองแล้วรู้สึกถึงความสะอาดน่ายินดีน่าปลื้มใจเป็นสุขอยู่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างซื่อสัตย์ต่อกันก็ขอให้ทราบเถอะว่าศีลข้อสาของพวกคุณบริสุทธิ์อยู่อย่างแน่นอนครับไมม่รรรูู้้้ิคคคดดองใดงใใใเเทาาาหพบกััันนนนนววืียุจฉ เธอคงจะเป็นเหมือนกันเธอคงจะเป็นเหมือนฉันสมตาพอรู้แต่ยังไม่แน่ใจอาจเป็นสีเดียวกันและมีทุกอย่างคล้ายกันดูเหมือนรักไม่มีวันเป็นจริงใช่ไหม รักเราเรียกกันเป็นดอกไม้ที่สีเดียวกันแต่ดอกไม้แห่งรักของฉั น, ฉนก็งามไม่แพ้ใครที่ไหนอาจเป็นทางที่เราเกิดมาไม่เหมือนใครแต่เป็นทางที่เราเลือกเดินและพอใจสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ฉันรู้ตัวดีชีวิตที่มีทา ง, งาเดินของไปอยู่ตรงใหนถ้าเลือกรักในแบบเรา